เดินกว้างและสีกว้างหนาขึ้นเหมนเเส้นเสียงของใจเราก็มึนกันนะถ้าสมมติว่ามันเงียบไม่มีเสียงอะไรเลยมันจะนิ่งเป็นเส้นกลางแต่พอมีอะไรกระทบปั๊บมันจะสูงจำคลื่นของเสียงจิตของเราก็ไปอยู่น้ำมึนกันนะนะสังเกตสิ่ง้อมมีอิทธิพลต่อความรู้สึกแต่ในกรณีที่ว่าการเสียงได้เสียงน้า ไหลน้ำตกลมพัดเสียงนกร้องเสียงธรรมชาติในแง่นนของอารมณ์ทางสุนทรีหรือธรรมชาติเนี่ยผิวแดงลงดีนะแต่ในแง่นนของสมาธินี่อาจจะตรงกันข้ามนะอาจจะตรงกันข้ามเพราะนั้นเองก็เราพยายามมองเป็นว่าสุนทรีท่าผ้าประกอบกันแล้วกันนะแต่ว่าสมาธิอาจจะไม่บริสุทธิ์ร้อเ็ ก็มันมีการปรุงแต่งของเสียงธรรมชาตินะแล้วก็สําหรับผู้ที่ผ่านคอร์สมาแล้วนี่จะทั้งเก่าทั้งใหม่อาจารย์สมกินนี่ยผ่านมานานแล้วเนาะผ่านมาหลายปีก็ถือหายไปหมดแล้ววัน น, นี้กนะ็คนที่เพิ่งผ่านมาสดๆแลร้อนก็มีไม่กี่คนต้องนั้นก็ผ่านมานานแล้วใช่ไหมนะเคยเข้าคอร์สมาหลายปีแล้วถือว่าเป็นผู้ใหม่หมดแล้ววนะันนะี ก็เคยได้ยินได้ฟังมาแต่คนที่รักษาอารมณ์ต่อเนื่องมาก็มีใช่ไหมคือหมายความว่าทำมาเรื่อยๆไหมหรือว่าเพิ่งว่ายกใหม่นี้ปีนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ผ่านมาแล้วก็จุดที่จะเน้นตั้งแต่แรกนี่ก็คืออยากจะให้มาศึกษาเรื่องคือเรื่องเวทนาเรื่องกายเนี่ยถือว่าผ่านจะมาแล้วสําหรับผู้นะั้นเรื่องกายคือเรื่องของรูปกับนามเรื่องกายกับใจ ว่าการเคลื่อนไหวทำให้ใจอยู่อย่างไรทำให้ใจคิดอย่างไรนี่พ อ, พอมองออกเลยใช่ไหมถึงว่าจะไม่ด้เหียนั ก, ก็พอรู้ว่าใจคิดเป็นอย่างไรใจไม่คิดเป็นอย่างไรรู้สึกไหมรู้สึกเคยผ่านมากี่ครั้งแล้วฮะสองครั้งแล้วนะรู้เรื่องกายเรื่องใจดีหรือยัง <c oughs> <c oughs> อันเด้อเฮ่อัเด้อ ตอนนั้นเวาพาฝึกบทละเอียดขึ้นมาก็ก็ต้องยอมหนักกว่เพื่อนห น, นะหน่อยนะหักเพื่อนนะเบื้องต้นนี้อยากจะให้ศึกษาเรื่องคือเรือ่องผ่านบทที่หนึ่งมาแล้วคือบทกายานุปัสสนาเราจะมาศึกษาบทที่สองเลยทีเดียวคือเรื่องเวทนาเนีเรื่องเวทนานุปัสสนาก็คื อ, อเวทนาแต่ว่าเอามาไปอบรมอยู่ที่ สะสมสินคุ้มจบมาเมื่อวานเนี่ยเราใช้คําว่าเวทนาเวทนาจนชินปากก็ว่าเราเข้าใจในคําที่เราพูด น, นะนะจะคิดว่าผู้ฟังจะเข้าใจด้วยแต่ปรากฏว่ามีคนต้องบอกว่าเออเวทนาเขาเขาแปลว่าอะไรหมายความยังไงไม่รู้เรื่องเลยก็มีเหมือนกันนะแต่ในที่นี้ใครบ้างที่ฟังเขาว่าเวทนาแล้วยังยังเข้าใจไม่ชัดมีไหมเพราะเวทนาหมายถึงอะไรเข้าใจชัดแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นทุกคนไหมพอ่อหลวงพออ่อเออเขาว่าเวทนานี่เข้าใจเลยใช่ไหมหมายถึงอะไร ใหญ่มนี่นีน่ น, นีมันจะเป็นอย่างเงี้ยบวงทีเอามาบอกเวทนาเวทนาก็นว่าทุกคนเข้าใจอย่างที่พูดแล้วพอคนพ อ, พอจบพอ้อมแล้วไม่รู้หมายความว่ายังไงบินน่าจะบอกกันตั้งแต่แรกว่าหมายความว่าอย่างไรนะเพราะว่าเป็นภาษาที่ใช้กันจนชินเป็นภาษากรรมฐานแต่พวกเราที่ใหม่รกับกรรมฐานเนี่ยเวทนาเวทนาไปลว่าความรู้สึกทางกาย เราจะใช้คำว่าความรู้สึกทางกายเนี่ยมันเยอะนะเยน็นร้อนอ่อน แ, แข็งเค่งตึงเจ็บปวดนี่เยมันยาวพรอใช้คําว่าเวทนานี่จบเลยนะแต่ว่าเวทนามีสองลักษณะหนึ่เวทนาทางกายเช่นเรานั่งขณะ น, นี้รู้สึกกายคือยังไงบ้างรู้สึกหนักบางช่วงมีแดดมาก็รู้สึกร้อนบางช่วงมีลมมาก็รู้สึกเย็นใช่ไหมมันแค่เวทคำ ว, ว่าเวทนาเนี่ยความรู้สึกทางกายของเราจะสลับ รู้สึกไปตามบรรยากาศที่ที่มากระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งขึ้นจึงเจ็บปวดสบายไม่สบายแปลปวนผ่องใสเข้ามองผ่องใสตลอดเวลาตามสิ่งแวดล้อมนะพนัพกเผยเข า, าว่าเนะวทนา้มหมายถึงความรู้สึกเหล่านี้ในะทางกายนะแต่ความรู้สึกทางกายเหล่านี้ถ้าเรายังไม่ได้เจริญสติปัฏฐานสี หรือเจริญสติประทาน4เจริญความรู้สึกทางกายยังไม่ชนานาญตัวความเปลี่ยนแปลงของเย็นร้อนอ่อนแข็งเส่องตึงหรือเวทนาในร่างกายยังมีผลต่อจิตทาให้จิตเกิดความพอใจไม่พอใจได้แต่ถ้าเราได้เจริญสติกับกายมาความรู้สึกทางกายมาเป็นที่คุ้นเคยเรียบร้อยแล้วเเราสามารถที่จะยั้ง ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งตึงความไม่สบายทางกายนะให้อยู่แค่กายไม่ให้ไปมีอิทธิพลแปลทำให้จิตแปรปวนหรือทำให้จิตเปลี่ยนแปลงไปตามอาการของกายได้ถ้าเรารู้สึกสบายควารู้สึกว่าชอบมันก็จะไม่มีถ้ารู้สึกไม่สบายทางกายความรู้สึกว่าเรารู้สึกไม่ชอบก็ไม่มีเพราะว่ามีสติคอยเข้าไป ตามรู้แล้วก็จบแค่นั้นส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นไหมตัวันเป็นแบบนั้นหรือ่าเมืเรา่างกายได้รับความรู้สึกสบายเมื่อสบายจนะิตใจยังเฉยๆอยู่เนาะไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเกับเวทนาภายนอกใช่ไหมทําได้ไหม <laughs> ยังไม่ได้ <laughs> ตรงนี้แหละที่เราจะมาเรียนต่อกันนะามาเรียนต่อกันบทเรียนต่อตรงนี้ว่าทําอย่างไรที่ ความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกทางกายที่มีอยู่ตลอดเวลาเย็นน้อนอน่อนแข็งเข่งตึงหนักเบาของร่างกายเนี่ยจะไม่เข้าไปแปรสภาพของจิตที่ซื่อเฉยๆนิ่งๆเนี่ยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นความพอใจไม่พลอยไ ป, ไปตามอาการของภายนอกได้ตรงนี้เราจะต้องทําตัวนี้เข้าไปคือหมายความพยายามดึงดึงจิต ของเราเนี่ยที่จะไปสร้างความรู้สึกภายในเนี่ยให้มาอยู่กับการเคลื่อนไหวใชหให้มันให้มันไม่ไปสนใจต่อเวทนาที่จะเกิดกับใจแต่มาสนใจเวทนาที่เกิดกับใจให้ชัดๆถ้าหากว่าใจของเราให้มารู้เวทนาทางกายให้ชัดๆเสร็จนี่ยโดยเวทนาตรงนี้ก็จะไม่ลื่นไหลเข้าไปบีบที่ใจมันก็จํากัดอยู่แค่นี้ แต่ในเวลาใดที่เราเผลอเราลืมตามรู้ความรู้สึกที่เป็นภาในกายชัดๆเนี่ยตัวนี้มันก็จะลื่นไหลไปบีบ จ, จิตโดยที่เราไม่รู้สึกตัวก็จะเป็นอย่างนั้นเรื่อยเพราะเราลืมกำหนดรู้ตามรู้นั่นเข้านาั่นเข้ า, น า, นขาจิตของเราก็จะรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปเป็นความเบื่อความเ็งความหมงุดหงิดความคิด องแตงห่วงเหงาพุ้งซ่านลังเลมันก็จะเกิดอาการต่างๆเกิดขึ้นมานั้นให้รู้ว่าการตามรู้ทางกายของเรานั้นไม่ชัดแล้วแทนที่เราจะพอเรารู้สึกตัวว่าจิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปตามอาการต่างๆแสดงว่าเราตามรู้กายไม่ทันแล้วใช่ไหมเราก็รีบกลับมาตามรู้กายใหม่อันนี้คือการตามรู้ในเวทนาที่เราจะทํากัน นี้เราจะรู้ว่าเราตามทันไม่ทันให้ไปรู้ผลผลที่มันออกมาว่าในแต่ละเราดูในช่วงแต่ละ5นาที10นาทีเอาก็แล้วกันถ้าว่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปมันอาจจะยาวมันอาจจะไม่ทันนะนะเช็คทีละนาที2นาทีก็ได้นาทีนี้ผ่านไปเป็นไงใจยังปกติอยู่ไหมนาทีที่2เป็นไงใจยังว า, างเฉยใจยังเบิกบานอยู่ไหมทั้งทั้งที่เวทนาทางกายนั้น อ่านเข้ามาตลอดเวลานะเย็นด้อนอ่อนแข็งเค่งตึงเจ็บปวดหนักเบาแสบคันอบ อ, อ้าวเหน็บหนาวอะไรต่างๆมันต้ผ่านเข้ามาหรือแม้กระทั่งในที่นี่ในป่าอาจจะมีเหลียบยุงลิลลัยมาไต่มาจอ ม, มาขบมากัดในช่วงเช้าช่วงเย็นนะเราตามรู้อาการเหล่านี้ทันไหมถ้าตามรู้ไม่ทันแล้วก็จะเห็นอาการของจิตขึ้นมาเป็นลักษณะอ่า ไม่สนุกมุองิตเบื่อลำคาญหรืออัดมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบแบบนั้นถ้าเราเห็นอาการเหล่านี้แล้วลืมตามรู้อีกนะนั่นหมายความว่าจะก่อเป็นเรื่องไปเรื่อยๆแเป็นความคิดยาวขึ้นเรื่อยๆคิดถึงบ้านคิดถึงการที่ ง, งานไปนู่นเลยนะคิดถึงอะไรต่ออะไรไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่ามันจะขยายผลไปเรื่อยๆนะมันจะไม่อยู่ที่เก่า ดังนั้นให้รู้ว่าอ๋อเราพาดจุด่ที่ไปแล้วกลับมาตั้งต้นใหม่แต่ต้องทําใจว่าที่เราตั้งใจว่าภายในเจวันเนี่ยเราจะมาทําเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นเราไม่สนใจนะแต่ในกรณีที่มีเวทนาที่ความรู้สึกทางกายที่เราไม่สามารถสกัดกั้นอยู่ในขอบเขตของกายเนี่ยมันต้องไหลซึมเข้าไปสู่จิตและเมื่อไหลสูมเข้สู่จิตเนี่ยมันจะไปสร้างตัวความคิดและอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาให้รู้ว่าเราผิดหน้าที่แล้ว ไม่ใช่หน้าที่ของเราว่าจะไปคิดว่าจะทําอะไรวางแผนที่จะคิดอะไรภายในจิตวันเนี่ยแล้วมิแต่วางแผนทําเรื่องเดียวนี้เท่านั้นนะทําใจอย่างนั้นไหมมาเนี่ยหรือว่ายังแว่งรับแบ่นสู้อยู่ถ้าดีฉันก็อยู่ไปเรื่อยๆถ้าไม่ดีฉันก็แอบกลับบ้านอย่างเงี้ไม่ได้เนะต้องตัดสินใจภายในจิตวันนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นฉันก็สู้ตรงเนี้เหมือนกัเแต่ต้องต้องตั้งใจให้เด็ดขาดอย่างนั้นเกินนะถ้าแบ่งรับแบ่นสู้อยู่นี่ไม่ได้มันมีทางออก ดังนั้นในช่วงเพว่ความปลอดภัยในเบื้องต้นนี้หลวงพ่อรละจะมาก็จะขอถือโอกาสตัดบ่วงแห่งมารให้เรียบร้อยไปเลย <c oughs> รู้จักบ่วงแห่งมารไหม <c oughs> เราจะขอเก็บบ่วงมารด้วยหมดเลยไม่ให้ไปคล้องผิดคล้องใจเอาไว้นะแล้วก็ถือว่าบินทบาททดสอบวันี้สีห้าทินนะ หลังจากเราลิฟบห่วงแห่งมานมาไว้เนี่ยปรากฏว่าได้อารมณ์กนดีทุกคอเลยนะเกือบจะรอยปซแต่ก่อนหน้านั้นเอ๊ะมันได้อารมณ์เหมือนกันหนูมันสิบคนมันจะได้จะห้าคนหกคนเจ็ดคนอะที่เหลือปรากฏมานเอาไปกินหมดเลยเลียว่าสืบผาสาเหตุก็าห่วงมันคล้องออกไปหลังจากเราลิฟต์ห่วงมาแล้วหนูได้อารมณ์ดึงเก้าสิบเปเซนตเพราะฉนั้นวันนี้เก็บทุกคนเนาะสทัพมือถือ กอดวงใจของแต่ละคนนะะกอโดวงใจนั่นคือสิ่งแต่เขาอนุมัขาอนุญาตเก็บเอาไว้เพราะมามีกรณีพิเศษตอนนี้นะมีคนหลายคนเก็บอารมณ์อยู่ตามบ้านแม้แต่ต่างประเทศนะพอ เ, เก็บอารมณ์ไปช่วงยหนึ่งเกิดติดอารมณ์ออกไม่ได้โทรเข้ามานี่คือความจํำเป็นนะโทรเข้ามาหลวงพ่อตรงนี้มันมาถึงตรงนี้จะทํ า, ทงาังไงต่อบางคนอยู่ที่จีนบางคนที่อเมริกานะว่า น, นิยมคนอยู่ไปเก็บอารมณ์อยู่ที่กวางโจแกเป็นเป็นผู้ห ญ, ญิงตั้งใจปฏิบัติมากแต่เป็นนักธุรกิจแต่อยู่ที่เมืองไทยไม่มีเวลาที่แกทํำก็ไปที่นู่นก็โทรมาสอบอารมณ์ทุกสามวันห้าวันอันนี้ตําขอพิเศษตรงนี้ด้วยเพราะก็เป็นการแก้ปัญาแต่แล้วก็ถ้าสายเข้ามาก็จะดูก่อนว่ามันเลืกสอบอารมณ์หรือเปล่าเพราะนั้นไนอะ้เก็บถ้ามันไม่รับนะฮะทุลุกเนาะอาจารย์สงศิจนา แวัล <l ok> ็อกไวก่อนนะอเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพนทะ์เรื่องต่อไปก็อ่าเกี่ยวกับเรื่องที่พักามาเองอเป็นที่รวมเนี่ยามาไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะคือหมายถึงอาจจะส่วใหญ่นอนในที่ห้องเดียวกันคนละเตียงเลยเตียงใช่ไห ม, มที่แรกเราที่แระ ที่บริเวณอนึ่งนี้ถ้าสมมุติเรามีเต็นท์ใครเต็นมันนอนก็ยจะดีนะแยกเป็นส่วนตัวของใครของมันเพราะเวลาไปรวมกันตอนเย็นมันโอที่จะคุยกันไม่ได้โอที่จะคุยแลกเปลี่ยนกันไม่ได้เรื่องนั้นเรื่องนี้ น, นนะตรงนั้นแหละคือสำคัญ ม, มันไหลตรงนั้นอ่ะเดินไม่รู้ตัวแต่เอาละอย่างไรถ้าหากว่าเรามีการสํารวมวันสุดท้ายของลีที่เนี่ยมายมาเกตทดลองให้ให้ผิดวิาจารทั้งวันเนี่ยปรากฏว่าได้ผลดีหมายควมไม่พูดเลยแต่ในเช้าจุดเย็น ที่เราทําอยู่สักวันหนึ่งวันสุดท้ายในะส่วนใหญ่ทํทาทั้งนี้เพื่อที่จะทำมีให้กายกับใจไนดะ้อยู่ด้วยกันให้ชัดเจนที่สุดต้องให้นานที่สุดถ้าดีจะนานได้ฉะนั้นภายในเจ็ดวันนี่เรามาทํากิดอันสูงสุดนะถือว่าในช่วงภายในเจ็ดวันเนี่ยประเทศชาติของเราอยู่ในช่วงของเรื่องหัวต่อเพราะฉะนั้นเราอยากแก้เป็นการภาวนาให้กําลังกุศลแล้วเนี่ยได้ช่วย ถือว่ามาภาวนาเพื่อช่วเหลือประเทศชาติอะไรเงี้ยนะทําใจอย่างนั้นนะในจุดที่ดีที่สุดของประเทศในขณะนี้คือที่ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะรวงพลังที่เป็นกุศลแลจิตเนี่ยซึ่งมีพลังมากให้เข้าไปแก้ไขจัดการปัญหาของประเทศชาติให้ลงตัวที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามนะอย่าให้เกิดการผิกตอะไรเกิดขึ้นในช่วงอย่างนี้เราก็จะได้ถือว่าได้ช่วยประเทศชาติไปในตัว ในการทำบุญครั้งนี้นะถ้าเราทำใจอย่างนี้เราจะตั้งใจทำใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องความอยู่รอดของประเทศชาติเลยเนะี่ยเพราะนั้นเราจะมาทำตลอกๆเล่นๆนี่ไม่ได้ครเราจะทำทุกทุกระยะที่ที่จะเป็นการสร้างพลังของผูเสมร่วมกันอันนี้ก็เป็นสร้างการวิธีหนึ่งการสร้างแรงจูงใจให้เราเกิดแรงบันดาลใจที่จะตั้งใจทำนะดังนั้นก็คืออันที่สองเรื่องการสร้างแรงจูงใจ พอทําทไปบางครัง้งทํำไปทำมามันเกิดเบื่อท้อใช่ไหมเพราะอยู่ที่บ้านเนี่ยเราไม่เคยว่างเว้นต่อภารกิจเลยใช่ไหมอจากเรื่องนี้ก็เสร็จแล้วก็จากเรื่องนี้จต่นี่ตลอดทั้งวันไม่เคยว่างเว้นเลยแต่ที่อยู่มาทําโดยที่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยโอ้โหมันอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวอย่างน่ากลัวนะสําหรับบางคนแต่นี่เราเคยผ่านกันมาแล้วเนี่ยบ้าง ที่ว่าคงจะเข้าใจในสถานการณ์ของจิดดีว่าในเมื่อจิตของเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับภารกิจประจำวันอย่างที่เป็นมานเนี่ยมันจะต้องอมีผลพอสมควรแต่ถ้าเราสร้างแรงจูงใจว่าเออเรามานี่คือเราได้ทำงานรับใช้ลูกภรรยาสามาีพ่อแม่ญาติพี่น้องมาตลอดชีวิตแล้วภายในเจวันนี้ข้าพเจ้าขอพักผ่อนได้สบายที่สุดนะที่ข้าเจ้าจะได้ทได้ แต่ด้วยการสร้างสรรค์คือสร้างสถิตปัญญาไปด้วยไม่ใช่พักผ่อนอยู่เฉยๆแบบที่เหยียดนะแต่ว่าจะเป็นการาพักผ่อนแบบสร้างผุศลนแต่ตัวเองนะว่าเราที่แล้วมาผุศลนจิตของเราอาจจะไม่มีโอกาสได้บริสุทธิ์เต็มที่เพราะไม่มีเวลาทําแต่ณนะภายในเจวันเนี่ยเราจะมาสร้างผุศลให้ดีที่สุดให้เป็นของขอนกับชีวิตของเราภายในเจวันนี้อันนี้ก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งสร้างแรงจูงใจถ้าหากว่าพอจิตของเราเนี่ย มันกัดแกงมันหวั่นไหวง่ายแต่ถ้ามันมีแรงจูงใจที่คอยระลึกอยู่เสมอเนี่ยมันก็จะจับให้มาตั้งตั้งสถิได้เร็วนในกรณีที่บางคนยังไม่สามารถจะเอาเวทนาเข้ามาเป็นกำลังของจิตได้ทุกขณะเพราะเรายังไม่มีความคุ้นเคยและไม่มีประสบการณ์เราก็เอาแรงจูงใจแบบเห็นเห็นเนี่ยเข้ามาเป็นตัวชักจูงก่อนนะอันนี้คือ ตัวศรัทธาสร้างแรงจูงใจอันที่สามการสร้างความเพียรนะการสร้างความเพียนนะก ร, ราายการทำความเพียร น, นั้นถามว่าเราจะทำอย่างไรที่จะไม่บอบไม่เหนื่อยมากเกินไปและจะทำอย่างไรที่มันไม่ถึงกับผ่อนหรือหย่อนยานเกินไปจนขี้เกียจ อันนี้ก็จะต้องมาดูว่าจะทําความเพียรยังไรเป้าหมายของความเพียรที่ถูกต้องในสัมมาวยมายามะเนี่ยถ้าเน้นว่าอันที่หนึ่งระวังอุปสรรคที่เราเคยคุ้นเคยแล้วเนี่ยมันจะเกิดมาอุปสรรคที่คุ้นเคยในการภาวนาที่เราเคยผ่านมาบ่อยๆที่สุดที่เราสัมผัสได้ก็คืออะไรหนึ่งพอทีนีน้ออกไหมความ ม่วงกับความขี้เกียจอะไรไหนมาก่อนเป่าม่วงมาก่อนนี่ไนั่นอันหนึ่งให้ระวังอันนั้นว่าความม่วงมันมาอย่างไรต้องคอยระมัดระวังนะว่าศึกษาว่าก่อนที่มันจะม่วงมันเป็นอย่างไรมันเตินก่อนหรือมันสบายก่อนหรือมันขี้เกียจก่อนก่อนที่มันจะม่วงนะมันจะล้าก่อนหรือมันจะเบื่อก่อนมันจะเซ็งก่อนมันจะเพินก่อนให้หาจุดเหตุใกล้ข้ามันว่าอันไหนมันเป็นเหตุให้เกิดความม่วง แล้วระมัระวังนะอันที่1อันที่2แม้เราระมัดระวังแล้วมันยังเผลอเกิด้นได้เนี่ยแม้ความมหลุดเข้ามาจนได้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ง่วงอย่างเดียวบางคนอาจจะไม่เริ่มต้นที่ง่วงนะอุปสรรคอันแรกมันเริ่มต้นที่ฟุ้งซ่านก็มีใช่มแต่บางคนอาจจะไม่เริ่มต้นที่ว่าอาจจะเริ่มต้นที่ขี้เกียจบางคนอาจจะเริ่มต้นที่เบื่อหน่ายเท้าถอย อั น, นอาจจะเริ่มองอะไรอันหนึ่งก็ได้แล้วแต่แต่ละคนก็ให้ระวังตัวนั้นตัวไหนที่มันเริ่มต้นก็ให้ระวังตัวนั้นว่ามันต้องมีเหตุอันที่สามตัวกาลังของสติสัมภญญะต้องหาวิธีเพิ่มพูนตลอดเวลาการเพิ่มกําลังสติธรรมยังไงนะอากาศที่นี่ชื้นมากนะเอามารู้สึกได้เลยนะชื้นได้ขนาดพื้นเนี่ชื้นหมดแล้ว ดังนั้นเองก็อาจจะต้องขอมอ้นน้ำร้อนหน่อยสักอนเพื่ออุ่นน้ำใช้อุ่นน้ำอาบนะ้อากาศถึนเย็นไม่ได้ทีนี้พอกำลังของสติสัญญาที่เราพยายามพอกพูนเนี่ยเราจะทำยังไงให้รู้สึกชัดๆก็คือในช่วงที่ทำเนี่ยต้องรู้สึกสัมผัสความหนักความเบาของอาการที่เราทำอย่างสมมติว่าเรา เราเดิน Fest นี่ไงถ้าเราเหยียบรู้สึกเป็นไงหนักใช่ไหมเรายกรู้สึกเป็นไงเบาใช่ไหมเหยียบลงไปหนักยกข้างนี้เบาเหยียบลงไปหนักแต่เราเวลาที่เรายกเนี่ยให้เห็นอาการหนักมันหนักข้างนี้เบาข้างนี้อ่ามันเบาข้างนี้แต่มันหนักข้างนี้ให้เห็นอาการชัดๆสลับกานันไปเรื่อยๆ ถ้าเห็นอาการหนักเบาเท่าๆกันเนี่ยมันจะเกิดการลบกันไปในตัวมันหนักแล้วมันมีเบาขึ้นมาลบมันหนักแล้วมีเบาขึ้นมาลบมันจะกลายเป็นศูนย์มันจะเกิดการผ่อนคลายโดยตลอดแต่ที่แล้วมายิ่งเดินแล้วก็ยิ่งหนักขาหนักแข้งปวดขาปวดแข้งเพราะอะไรเพราะน้ําหนักกับเบาเนี่ยไม่สมดุลกันคือมันเบานี่เดี๋ยวแต่มันหนักมากกว่าอาการหนักมันก็เลยเหลืออยู่กับเขาเรียกว่า ความรู้สึกหนักตกค้างสั่งสมกันที่นี้กลายเป็นความปวดความเมื่อยคันขัดการล้าที่ขาเพราะนั้นวิธีการก็คือให้เห็นอาการของยกมันอาจจะที่ช้านี่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องการช้าให้ได้สมาธิไม่ใช่นะแต่ด้เห็นการหนักแค่การเบาเกิดขึ้นให้ชัดเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไวนี่มันอาจจะเห็นไม่ชัดใช่ไมแต่ถ้าเราให้ยกหนักเบาให้เห็นชัดเนี่ย มันเหมืนเดินท่อน่องอ่ะมันก็จะสบายอันนี้คือการผ่อนคลายเกิดขึ้นหรือเวลานั่งสร้างจังวหวะเวลานั่งสร้างจังหวะเรามีการเคลื่อนและการหยุดการเคลื่อนและการหยุดให้สำรวจดูระหว่างการเคลื่อนและการหยุดเนี่ยอันไหนหนักอันไหนเบา นี่ก็ให้ไปนิ่งๆเราศึกษาเรื่องเวทนานะว่าระหว่างหยุดเจเคลื่อนเนี่ยอันไหนหนักอันไหนเบาแต่ไม่ได้เพ่งให้จิตเป็นสมาธินะแต่ให้รู้สึกรู้การหนักเบาเพราะเราต้องการศึกษาเรื่องเวทนาในการทําแต่ไอตัวสติสมาธิปัญญามันก็จะเกิดในตัวเข้ามาเนั่นแหละแต่เป้าหมายของเราต้องการศึกษาเรื่องเวทนาของกาย แล้วการศรึกษาสใส่ใจการสาธาิตทางกายมันจะเกิดกำลังของสติสมาธิมันโดยธรรมชาติแต่ว่าเรามาสนใจตัวอาการหนักเบาเนี่ยเพราะเป็นการของรูปและนาแต่บางคนไปไหลไปเลยเนี่ยไม่รู้อาการหนักกันเบาอย่างนี้ก็ไม่ชัดน้ำหนักของสติสมาธิก็ไม่ไม่ชัดเจนนะลองลองให้รู้หนักรู้เบาให้ชัด แต่ว่าไม่ใช่เป็นการเพ่งนะจะเป็นการรู้อาการของกายว่าเออมันหนักสบายถ้ามันเบามันสบายถ้ามันหนักมันไม่สบายเพราะจะสังเกตได้ไหมว่าระหว่างหยุดกับเคลื่อ น, น, อนไหนหนักอันไหนเบาฮะหยุดหยุดหนักเคลื่อนเบาใช่ไหมหรือบางคนอาจจะเคลื่อนหนักหยุดเบามีไหมฮะเคลื่อนไปนไง เคลื่อนหนักเสเคลื่อนหนักอยู่ที่บานะต่างนะฮะมันว่าบอลอ๋อไม่ไม่ได้มันจะต้องมีพหยุดกับเคลื่อนบาคนละอย่างกันบอลลูองเหองดูให้ดีอันนี้คือจุดสังเกตนะอันนี้เวลาเรานั่งให้สังเกตให้ดีถ้าเราเห็นอาการหนักบอลชัดเนี่ยมันจะไม่เกิดการสั่งสมมันจะไม่ปวดหัวไหล แล้วมันก็จะไม่เกิดอาการตึงแรงจางเพราะมันว า, ายใส่ใจต่อการหนักเบาเพราะฉะนั้นให้ใส่ใจต่อการหยุดการเคลื่อนให้ชัดเพราะนั้นเองอันนี้เวลานั่งนะเดินให้ใส่ใจต่อการหนักและเบาของการจังหวะเดินอาจจะช้าหรือไวก็ได้แต่เห็นให้ชัดนั่งก็ให้สังเกตการหนักการเบาของการหยุดและการเคลื่อนนะ ทีนี้ในอิเดียบทการเปลี่ยนอิเดียบทอันนี้อันอันว่าด้วยกําลังของสี่ชัก้การเปลี่ยนอิเดียบทขอสาธิตการเปลี่ยนนะสมมุติว่าเราเริ่มต้นด้วยท่าไหนก่อนท่าเพียยเนอ้ออันนี้เขาเรียกว่าท่าเพี้ยวขวาเพราะ ข, ขาขวาอยู่ด้านนี้ในท่าเพี้ยวขวาเนี่ย มันก็จะมีอาการที่เราศึกษาก็คือการหยุดการเคลื่อนของมือแต่ว่าในจุดอื่นเราก็ต้องสังเกตด้วยนะว่านอกจากเรรู้การหยุดการเคลื่อนของมืออาการของเวทนาตัวอื่นที่มันเกิดก็คือเรานั่งทับน้ําหนักเราลงฐานนั่งเนี่ยหลายกิโลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็สังเกตว่านอกจากรู้หนักรู้เบาที่มือแล้วเนี่ยในส่วนที่เรากำลังทับอยู่ตรงนี้มีส่วนไหนบ้างที่เรารู้สึ ก, สกได้เช่น <c oughs> หน้าขาแต่วพวกปลายเท้าด้านนี้เขาด้านนี้ที่รับน้าหนักอยู่นะแล้วก็รู้ถึงความหนักของมันด้วยอ่าที่ในในช่วงที่เราหนักอย่างนี้เราเห็นอาการเพิ่มขึ้นไหมอาการท่านั่งเนีย่ยความความหนักมันเพิ่มน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหมเพิ่มช้าหรือเพิ่มไวก็สังเกตไปเรื่อยๆ ลักษณะอย่างนี้ถ้าสติสัมยาของใครไม่เข้มแข็งเนี่ยมันก็จะไม่ใส่ใจมันจะหาเรื่องอื่นมามาสนใจแทนเพราะตัวนี้มันอาจจะบางเบาเกินไปนะอาจจะบางเบาเกินไปแต่มันผ่านไปสักหานาทีเราถึงมารั่วมันหนักละแต่ในช่วงที่มันขึ้นทีละนาที2นาที3นาทีเราไม่ค่อยใส่ใจเนื่องจากมันบางเกินไปที่กาลังของสติสัมยาของเราไม่ชัดพอที่จะไปเห็นความ เติบโตของมันแต่เราจะมารู้อีกทีแต่ว่ามันโตมากไปแล้วแทนที่จะรู้หนึ่งสองสามันมารู้8ปดเก้เลยแต่ถ้าใครฮะอันนี้มอว่าถึงกันนั่งนี่แล้วนะไปไกลแล้วนะตาไม่ทันสมมติว่านั่งทีนี้ได้ห้านาทีแล้วนะห้านาทีแล้วหนักแล้วนี่เราจะเปลี่ยน ตอนนี้ก็ไม่ลืมที่จะรู้นะหนักบอาตรงนี้เก็บเก็บให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ให้รู้ทั่วๆบางคนเนี่ยจะรู้ตรงไหนกันแน่ตรงนี้ก็จะรู้ตรงนี้จะรู้ตรงไหนเนี่ยให้รู้แบบรวมๆไปหมดคืออย่าไปเน้นอยู่ได้จุดหนึ่งถ้าเน้นรู้จุดได้จุดหนึ่งถือว่าเพ่งถ้าเพ่งแล้วมันจะหนักให้รู้แบบรวมๆชัดไปตอกนั้นก็รู้สึกหนักตรงนี้ก็รู้สึกหนักเราจะทําไงก็เปลี่ยนมาเป็นเอามืองมาไว้ตรงหน้าท้องก็เปลี่ยนไปถึง รู้สึกว่าต้องหนักแล้วนะวเราขยับเปลี่ยนขยับเปลี่ยนว่าขยับนิดมันก็หายไปนิดหนึ่งพอขยับมากขึ้นพอรู้สึกที่ถูกทับอยู่มันก็หายไปจากภาพเทีเ่ยวขวามาเป็นภาพเพลียวซ้ายเพราะว่าขาซ้ายอยู่ด้านข้างถูซ้ายพอมาปรับท่านั่งเนี่ยก็ให้นั่งให้ได้ศู น, นย์นะอย่าอย่าไปนั่งแบบสอดเท้าเข้าไปข้างในนั่งให้กว้างไอ้เท้าเนี่ยอย่ายถูกทับเท้าอยู่ข้างนอก ตั้งศูนยให้ตรงนะฮะโดยเฉพาะเราใช้อาชนะนี้มันไม่เต็มที่เนาะมันก็เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอ่าเพราะนั้นอันนี้ก็คือความไม่สะดวกแต่ถ้ามีอาชนะบางกว้างกว่านี้นะมันลาบก่าน้มหนักจง่ายขึ้นพอปรับได้ที่แล้วก็มาสังเกตว่ามาถ้าถ้าเพียงนี้ยจุดไหนที่รับน้ำหนักหน้าเข่าหน้าขาปลายเท้าสะโพกให้รู้ไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ ม า, มาดูไปอยู่ตัวเครื่อนของตัวนี้เราสังเกตว่าจุดรับน้ําหนักเนี่ยตัวไหนเป็นเหตุให้เกิดความหนักก่อนบางคนที่เอวไม่ดีก็จะรู้สึกถึงสีเอวใช่ไหมบางคนตะโพกไม่ดีก็จะรู้สึกตะโพกบางคนไหล่ไม่ดีหลังไหล่ไม่ดีก็รู้สึกรึงความเจ็บปวดตรงนั้นก็ดูไปเรื่อยๆ จนกระทั่งว่ามันรู้สึกจะหนักๆถ้าฝืนฝืนต่อไปมันก่อให้เกิดความหมหู่จิตลำคาดนี้นะนั้นหนของวเวทนาทางกายเริ่มซึมเข้าไปสู่จิตแล้วแล้วรู้มันสักพักหนึ่งก็เริ่มหาทางที่จะเปลี่ยนแต่ถ้าเราต้องการทดลองมันว่าไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยเราจะทนมันทางกายอยู่หน้าใดขไหนโดยที่ไม่เขาไปเสพ มันจํากัดมาอยู่ขอเขทางกายมันจะหนักขนาดก็ป้องกันได้อนนั้นเป็นกรณีพิเศษสําหรับคนบางคนนะสามารถสกัดกันได้ถึงแม้ว่าเวทานาทางกายจะเข้มก็ตามแต่บางคนกําลังสถติสชมาญาอ่อนมากแค่ทางกายรู้สึกหนักไม่เท่าไหร่รู้สึกเข้าไปเป็นแล้วรู้สึกไม่ค่อยชอบลำพานนะอันนี้ก็มีความอดทนไม่เท่ากันคนไหนที่มีความอดทนสูงอะสามารถสกัดขั้นอำนาจของการแทรกซึมเวทานาที่ไม่สบายเนี่ยเข้าไปทางกายได้ ไม่เข้าไปทางคิดได้ได้นานแต่บางคนกําลังขอสีสมัมผัสอ่อนแค่เก็บปวดนิดหน่นอยก็รู้สึกูมีแรงคัญแล้วเข้าไปทั้งสองส่วนเลยอันนี้ไม่เท่ากันไปสังเกตให้ดีพอมาถึงจุดนี้ว่าเราทนไม่ไหวหนักแล้วเนี่แล้วก็เปลี่ยนใหม่คือเปลี่ยนบ่อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ขนาดเปลี่ยนให้รู้ว่าเปลี่ยนท่าไหนก็มันรู้อาจจะเปลี่ยนมาท่านี้ก็ได้ท่าภูเขา เออม่กี้น้ำหนักมันหายไปเออมีผลต่อจิตคิดก็เบาด้วยใช่ไหมนั่งไปสักพักหนึ่งล้วก็มารู้ว่าจุดที่รู้ไปสักพักหนึ่งรู้สึกถึงความสบายเท่าที่มีอยู่บางคนไม่รู้จักความสบายโดยธรรมชาติพอรู้สึกร่างกายสบายก็หาเรื่องอื่นมาคิดเพราะจิตไม่รับรู้ต่อความสุขโดยธรรมชาติ เพราะมันไม่เคยมารับรู้สึกเหล่านี้พอรู้สึกสุขเหล่านี้ปั๊บมันก็ไปอยู่ในความคิดทันทีเลยเอาความคิดนั่นไปจงกระทั่งเพลินไปกับความคิดร่างกายนี้มันหนักงไงไม่รู้แล้วทีนี้อันนี้คือพ่อผิดพาดของเราเราจึงไม่สามารถได้รับความสงบสุขโดยเป็นธรรมชาติเรามีแต่ความสุสขแต่ที่ปรุงแต่งจากความคิดตลอด แต่ความจริงถ้าด้วยร่างกายเนี่ยเขามีความสงบสุขระดับหนึ่งแต่ให้เราเข้าไปสังเกตเรารู้ว่ากายนี่ก็สบายนะชาวไล่ชาวนากรรมกรแบกหามทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเขายังทนได้เรามานั่งอยู่เฉยสุขขนาดนี้เรายังไม่รู้จักมันอีกเหรอทำไมเราอาภาพขนาดนี้นะต้องต้องต้องใส่ใจตรงนี้หน่อยเราไม่มีวาสนาที่อยู่อยู่ความสุขอย่างนี้ได้เลยเหรอ ตล เ, เวลาเราจะต้องภูมแต่งทําไมเราอาภาาัพขนาดนี้ต้องด่าดตัวเองหน่อยนะพอปลามตัวเองบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันเริ่มมาใส่ใจความสุขแบบไม่ภูมแต่งมีอยู่แล้วนี่สักพักหนึ่งล้วก็จะเห็นความหนักมันพอเห็นความสุข ส, สบายพอระดับหนึ่งนะไม่ต้องสบายมากอะ่ะแค่พอทนได้ กรรมกรแบกข้อสารวนลหลายร้อยกระๆๆๆสอบเขาก็ยินทนได้เรานี่ไม่ได้แบกอะไรเลยยกแค่แขนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหา <c oughs> ทําไมเรามันอ่อนไหวขนาดนี้ต้องปลามตัวเองหน่อยนะแล้วก็ดูไปเลย่ อ, อยๆชาวไร่หรือเจาะฟันดินตั บ, ต, บ, ต, บ, ต, บตับทั้งวันเขายังยังไม่กลัวเราไม่ได้ทำอะไรแค่ ย, ยกมือมันน่าจะไม่ต้องไปสนใจเรื่องความสบายไม่สบายมากนะักถ้านี้พอสักพักหนึ่งก็เริ่มไม่สบายแล้วใช่ไหม แล้วก็ปรับเอามาปรับทา่าไอ้ท่านี้ก็แล้วกันนี่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนมาท่านี้มากคือพยายามให้นั่งได้หลายทา่ามันจะนั่งได้นิดหน่อยก็ขอให้ใช้มันอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวไม่สบายไม่นั่งนั่ น, นแสดงแล้วกลัวตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดแล้วกลัวทุกขเวทนาทาน่านี้มันนั่งแล้วไม่สบายไม่นั่งอย่างีเนี่ยความคิดมันหลอกเรา แม้แต่นั่งแล้วไม่สบายก็ขอให้นั่งแบบความสบายมไม่สบายมันเป็นอย่างไรเพราะว่าความไม่สบายมันก็เกิดจากความสบายและความสบายมันก็เกิดจากความไม่สบายนั่นแหละมันก็สลับกันไปมายอยู่นั่นแหละพอทําอย่างนี้นานเข้านะเข้าออจุดไหนบ้างที่มันหนักก็สำรวจไปที่เขา่าที่หน้าขาที่ปลายเท้าดูไปเรื่อยๆ จนรู้สึกว่ามันทนได้ก็ทนไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าคําว่าทนไม่ได้ไหมายความว่าเวทนาทางกา ย, ยมันเริ่มเข้าไปบีบคั้นจิตแล้วหรือว่าทนไม่ได้อพอ บ, บีบคั้นจิตเดี๋ยวฟ้าเบลไมจะเกิดความหมุนหงิดต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มกลับเปลี่ยนความเปลี่ยนออกไปปรับมาเป็นอาจจะนั่งทับส้นเมื่อกี้เรานั่งภูเขาใช่ไหมนั่งทับส้นมันก็ได้ความสบายอีกแบบหรือความไม่สบายอีกแบบนี้เกิขึ้น มุนไปยีเรื่อยๆให้ชุดหึ่งสักสองชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงได้ว่าเราพอที่จะทนอยู่กับอาการแบบนี้ได้แค่ไหนตัวยกมือสร้างจังหวะก็ดีตัวเดินจงกรมก็ดีเนี่ยเป็นสัญญาณกระตุ้นให้กายกับใจมาออยู่ด้วยกันเท่านั้นนะ เพื่อเป็นสัญญาณมากายกับใจมาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะสามารถไปรู้ไปเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกายได้ไวเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นตัวหมุนตัวการเคลื่อนไหวตัวนี้จําเป็นจะต้องหมุนอยู่ตลอดเวลาเวลาเราไปสนามบินเนี่ยเราจะเห็นไอเขาเรียกอะไรนะอา่า ท, ที่หอคอยมันไรได้นะเออมันหมุนตลอดเวลายี่สี่ชั่วโมงเลยถามว่ามันหมุนเพื่ออะไร แ อ, แอบถามเจ้าหนะ้าที่หอการบินนะเขามาข้ามไปแล้วทำไมมันสัญญาณมันหมุนตลอดเวลาผมบอกว่าไอ้ตัวเนี้ย ม, มันมันมีไอ้สัญญาณในตัวของมันว่าในรอบด้านเนี้ยว่ารอบด้านมันมีมันมีเครื่องบินขึ้นลงตลอดเวลาแต่เครื่องบินลำนี้มาจากไหนเป็นเครื่องบินภายในภายนอกเป็นเครื่องบินของบริษัทไหนก็จะมีสัญญาณเข้ากันเขามันจะอ่านออกมาเป็นตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เหมือนกันได้โดยโดยเสถติรที่มันต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาเนี่ยเป็นตัวจับสัญญาณของร่างกายว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในร่างกายเป็นสัญญาณที่ทำให้เกิดอะไรขึ้นเราพร้อมที่จะปรับแบบไหนตัวนี้จะเป็นตัวตัวช่วยบอกนะเพื่อสารวจหาจุดที่เราจะศึกษาเพราะงั้นเถอะ<ม>ถ้าจะถามว่าไอ้ทำไปในตลอดวเวลาเพื่ออะไรนี่ก็ต้องตอบว่าเพื่อเป็นตัว สำรวจเป็นสัญญาณตรวจสอบร่างกายทีใจแต่ละเวลาใ น, นาขณะ น, นี้พอนั่งท่า น, นี้นานขนาดนี้เป็นไงเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนสำรวจล้วก็เปลี่ยนปรับทีนี้ก็มาท่า น, นี้บ้างคัตมาอ่า เนะี่ยขนาดาก็นั่งให้มั น, ใ ห, มนให้มันเต็มก้นให้เต็มก็ทําไปปรับไปเรื่อยๆในสิบจังหวัดสิบท่านี่แหละปรไปแต่บางคนขี้เกียจใช้มันท่าเดียวตลอดทั้งชั่วโมงเลยทั้งเบือ่อทั้งขี้เกียจทั้งฟุ้งานก็ทนอยู่อย่ง น, นัไม่ยอมปรับอันนี้ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆถือนะ ว, ว่าเป็นคนขี้เกียจนะขยันทําใจขี่เกียรรู้อันนี้ช่วยไม่ได้นะ เป็นคนขี้เกียจขยันขยันขี้เกียจขยันทาแต่ว่ามันไม่เกิดไม่เกิดประโยชน์ส่วนใหญ่เพีออยงงั้นตอนแรกขยันเปลี่ยนนะสักพักนึงขี้เกียจเปลี่ยนแล้วเนะี่ยต้องขยันเปลี่ยนไปให้เห็นให้เห็นชัดอันนี้คือการศึกษาเวทนานจากการเปลี่ยนนีเยาวบดจากการเดินสารวจหนักเบา จากการเคลื่อนและการหยุดเหล่านี้เป็นตัวสำรวจการศึกษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาตัวความรู้สึกทางกายทางใจพอจะเข้าใจได้ไหมจะทำถูกไหมถูกน ะ, ะจันลุงจินบทนี้เคยเรียนมาบ้างไหมยังนะ แรเฉื่อยมากการเปลี่ยนสภาพเฉือยมีการตามใจการตามใจโดให้ผมอ๋ออันนี้เป็นการอีกคอนเซปต์หนึ่งแต่คอนเซปต์ที่เราทํานี่เราคอนเซปต์เพื่อการศึกษาไม่ได้ศึกษากายศึกษาจิตไปไปพร้อมกันแต่ลักษณะที่การตามใจคื อ, ค, อคือตามผิดคอนสบายแต่ในลักษณะที่เราศึกษานี่เราต้องการให้เห็นความ สบายเปลี่ยนเป็นความไม่สบายอย่างไรและความไม่สบายเปลี่ยนเป็นความสบายได้อย่างไรอยา่างนี้ความสัมพันธ์สองตัวนี้เ<ๆ>็าเรียกเป็นอุบายใช้เป็นอุบายและเป็นเครื่องมือในการศึกษาใช้เวทนานะนั้นเวทนาทางกายนี่เราต้องการศึกษาให้ชัดเจนเพราะเมื่อมันไปเปลี่ยนเป็นเวทนาทางจิตแล้วเนี่ยมันศึกษายากเพราะมันละเอียดเกินไปเพราะนั้นเราต้องมาจับตั้งแต เวทนาที่มันเป็นไปในรูปธรรมชัดๆก่อนเพราะหลายไปเป็นเวทนาทางจิตนั้นมันไปไวๆมากเลยแป๊บเดียวดัดเนื้อดดเื่อมันมันแตกทินทําอะไรไปแล้วก็ไม่รู้มันไวมากนะ น, นั้นเราก็มายั้งอยู่ที่เวทนาทางกายเป็นหลักแต่เมื่อมันทำทา้าจะลุกก็เป็นเวทนาทางจิตเป่นพอใจไม่พอใจชอบชังเบื่อในอวิตกต้องบนคิดอะไรต่างเป็นเวทนาทางจิตมันมันค่อนข้างจะซับซ้อนละเอียด เรตามไม่ทันแล้วก็มาปรับเวทนาทางกายช่วยมาตั้งต้นใหม่เพราเราเซตมันใหม่เสมอนะอันนี้คือในมิติของเวทนาก็จะเอาไปทําได้นะเอาละทีนี้ในช่วงนี้เราจะแยกย้ายกันโดยการหันหน้าเข้าฝาแล้วก็นอนตามมิติหลังให้กันแล้วก็นั่งห่างๆกัน่อนเราเริ่มต้นเลยนะ